เวลาออกไปข้างนอกนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนที่เรียนกรรมาฐานความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งนะเรียกว่าเปลี่ยนอย่างลึกซึง้งเปลี่ยนเข้าไปถึงใจธรรมะของพระเจ้าจริงๆเป็นธรรมะที่เปลี่ยนคนได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยธรรมชาติของคนนั้นถ้าไม่ฝึกฝนจิตใจอะ ถ้าใครระลึกชาติได้ยาวๆจะรู้ว่าเวลาหมื่นปีนี่นิสัยแทบไม่เปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแย่ลงไม่ดีขึ้นหรอกรายกาดขึ้นเรื่อยๆนีครูบาอาจารย์ที่ท่านระลึกได้ท่านก็บอกหมื่นปีแทบไม่เปลี่ยนแต่อาศัยะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้แหล เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนได้ธรรมาของท่านอัศจรรย์จริงๆเราต้องเรียนให้รู้เรื่องว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเป็นยังไงเพราะเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมรู้แต่วิธีแต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่เปลี่ยนลงมือปฏิบัติแต่ไม่รู้วิธีก็ไม่เปลี่ยน พระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติไว้ให้ท่านบอกท่านเป็นผู้บอกทางให้ครูบาอาจารย์ก็ทําได้แค่บอกทางให้ให้พวกเรารู้วิธีปฏิบัติพอพวกเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติทําให้สมควรแกร่ทำอันนี้ต้องทำเองแล้วไม่มีใครมาทําแทนได้ถ้าเราปฏิบัติทําสมควรแก่รมเราก็ได้รับธรรมะเข้ามาสู่ใจของเรา ปฏิบัตินิดหน่อยก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติได้มากก็เปลี่ยนมากบางคนเปลี่ยนจนจำตัวเองไม่ได้แต่เดิมร้ายมากเลยส่องกระจกแล้วก็หูเห็นแต่นางมารร้ายถ้าภาวนาไม่เป็นไม่เห็นนะนางมาร้ายเนี่ยเห็นแต่คนสวยคนงามคนดีคนวิเศษอาหันได้นิดหน่อยก็เริ่มเห็นตัวมารร้ายค่อยฝึกไปเรืนะย จะเห็นเลยความร้ายกาจมันค่อยตายไปจากใจเราไม่ใช่เวลาไม่มากนะแต่ว่าเราต้องเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมีความรู้ด้วยแล้วมีความประพฤติ ด, ด้วยพระเจ้านี่ท่านสมบูรณ์ด้วยวิชาวิชาคือท่านมีความรู้ท่านรู้หลักถ้ามีจารณะมีความประพฤติที่ดีด้วยนะแล้วก็มีความเพียรขยันขันแข็งในการภาวนา พรงพวกเราต้องเรียนว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆเป็นยังไงการจะวางตัวควรจะวางตัวแบบไหนอันนี้ต้องเรียนเอาการจะวางตัวของผู้ปฏิบัตินะต้องมักน้อยมักน้อยแต่คารวะเนี่ยมักน้อยอย่าเป็นเรื่องรองนะมักน้อยเนี่ยสำหรับพระเป็นหลักเลยนักบวช ปรารถนาน้อยหมายถึงว่าอย่างพระอย่างหลวงพ่อนี้มีลาบสักการะมากอาหารมากอาหารมากเราบริโภคทั้งหมดผิดไหมไม่ผิดนะสันโดษไหมสันโดษก็ยินดีตามมีตามได้แต่มันได้เยอะหลวงพ่อได้จีวรมาปีหนึ่งหลายร้อยชุดใส่ทั้งหมดได้ไหมก็ได้ สันโดษไม่ไม่ได้ไปซื้อเลยสันโดษไม่ได้ไปดิ้นรนหลอกกลวงใครเข้ามาสันโดษแต่ไม่มักน้อยนักปฏิบัติโดยเฉพาะนักบวชนะอันแรกเลยต้องมากน้อยก่อนถึงมีมากก็ใช้น้อยนะพวกเราก็ลองฝึกดูมีเงินเยอะลองใช้น้อยน้อยหน่อยนะมีเงินกินข้าวได้วันละห้ามื้อนะเอาแค่สามมือ้อ นอกมือไม่กินอย่างเงี้ย่านี้มักน้อยนอกจากมักน้อยแล้วก็ควรจะสันโดษสันโดษหมายถึงว่ายินดีตามมีตามได้ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจสันโดษเนี่ยนะให้ขยันทำเหตุให้เต็มที่นะแต่ว่าได้ผลเท่าไหร่ก็ยินดีตามที่มันได้มันสุดฝีมือแค่นี้ลนะมันได้แค่นี้ทำธุรกิจตั้งเป้าจะเอาให้ได้พันล้าน ้็ทำได้1200ล้านยินดีที่ได้พัน0ล้านก็ยังสันโดษอยู่ได้800รล้านนะก็ยังสันโดษอยู่ก็ยังพอใจถ้าตั้งเป้า1000ล้านแล้วได้เก้าร้อยล้านแล้วเสียใจไม่สันโดษดนั่นสันโดสนี่เป็นสันโดษในผลนี่เราลองสำรวจตัวเรานะเราเป็นคนปรารถนาน้อยมากน้อยไหมหรือมากๆเรายินดีในสิ่งที่เราได้รับ จากการที่เราทุ่มเททํางานเต็มที่แล้วหรือเปล่าจะสันโดษการประพฤติปฏิบัติอีกตัวหนึ่งตัวที่สมไม่ครุกคลีวันวันหนึ่งรวมกลุ่มเฮเฮฮาฮจะได้เรื่องอะไรบางคนก็รวมกลุ่มกันไปวัดนะแต่เข้าวัดนี้แล้วก็ออกจากวัดนี้ไปต่อวัดโน้นสนุกมากเลยวันวันะวันหนึ่งไปได้เก้าวัดยิ่งปลื้มใจ รวมกลุ่มกันไปทีก็ไปนั่งสมาธิรวมกันนออกจากสมาธิแล้วก็เล่ากันคนไหนเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยคลุกคลีกันกระทั่งคลุกคลีกันนักปฏิบัติก็ต้องระวังนะพากันเฮเฮฮ า, าปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เรียกว่าไม่วิเบกคลุกคลีมากไปเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนกล้าเป็นเส้นทางของคนเดินคนเดียวได้ ถ้าเดินคนเดียวไม่กล้าไปนะกลัวไม่กล้าหรือเหงาไม่กล้าไปไม่กล้าปฏิบัติยังอ่อนดมากการคลุกคลีกับหมู่คณะต้องเลือกคลุกคลีท่านสอนเรื่องกาลยานมิตรท่านสอนไว้หลายอย่างนะให้ครบบัณฑิตครบบัณฑิตก็ให้เสวานากับบัณฑิตเสวานาไม่ใช่แปลว่าคลุกคลีเข้าไปเรียนเข้าไปรู้นะ หรือเรามีหมู่เพื่อนปฏิบัติสนทนากันเรื่องปฏิบัติพอให้มีกําลังใจปลุกปลอบใจซึ่งกันและกันแล้วต่างคนลงมือปฏิบัติไม่ครุกคลีกันหลวงพ่อสมัยก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์หาหลวงปู่ดูนหาหลวงปู่อะไรก็ตามถอะพอเรียนธรรมะเสร็จปุ๊บไม่พีรีพิไรเลยไม่ขอนั่งชมบา ร, รมีนานๆกราบเลยผมจะกลับละ รีบไปปฏิบัติแล้วไม่ครุกคลีมีกัลยาณมิตรนะงั้นมีกัลยาณมิตรเราเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาพอรู้แล้วเราก็ไม่ไม่ไปวุ่นวายอยู่กับใครรีบภาวนาถ้าประเภทตกเย็นตกบ่ายก็รีบนัดเพื่อนเฮฮหาๆทุกวันทุกวันพวกครุกคลีไม่ครุกคลีแล้วทำอะไรต่อ หลักการวางตัวของเราขั้นต่อไปก็คือต้องปรารบความเพียนมีความมาักน้อยมีความสันโดษมีความไม่คลุกคลีปรารบความเพียนคิดถึงการปฏิบัติปรารบความเพียนถ้าจะปฏิบัติให้สมควรแก่ทำก็คือปฏิบัติทั้งได้ตื่นจนหลับเสียเรียกว่ามีความเพียนดีถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างไม่เรียกว่าปรารบความเพียน แต่ว่าพวกเราอินทรีย์เบื้องต้นยังไม่เข้มแข็งให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับฟังก็ท้อใจล้แต่ขั้นสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ถึงขั้นว่าขั้นพระรหันต์ออกหมายถึงว่าภาวนาไปเรื่อยนะจนทั่งสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติขึ้นมานี่มันภาวนาทั้งวันนะภาวนาทั้งวันไม่มีแบ่งนะว่าเวลานี้เวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัตินะไม่มีเลยมีแต่ว่าทุกเวลาคือเวลาปฏิบัติ แต่บางเวลานั้นจําเป็นปฏิบัติไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีเวลาที่ไม่ต้องปฏิบัตินี่เราปรารบความเพียรเรารู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยต้องปฏิบัติทมในโลกก็มีของดึงดูดความสนใจเยอะแยะแต่มันของชั่วครั้งชั่วคราวธรรมะนั่นแหละจะยกระดับจิตวิญญาณเราขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นลำดับลาดับไป ถ้าเราเรารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระเรารู้ว่าธรรมะมีสาระแล้วปฏิบัติแล้วนําความพ้นทุกข์มาให้จริงๆนะพ้นทุกข์ได้จริงๆเริ่มปฏิบัตินิดหน่อยก็เริ่มเห็นผลแนละ้วถ้าปฏิบัติถูกนะนิดเดียวก็เห็นผลเดือนสองเดือนก็เริ่มเห็นผลแนละ้วยี่ขยันนะนี่ปราลบความเพียรพวกเราคนไหนยังมีความรู้สึกบ้างว่า เวลาปฏิบัติกนะ็คือเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเวลานอกนั้นไม่ต้องปฏิบัติถ้ายังมีความรู้สึกชนิดนี้อยู่นะยังไกลต่อมรรคผลอยู่แต่ถ้าเราไม่แบ่งแยกนะว่าชีวิตเรามีสองส่วนชีวิตที่ปฏิบัติกับชีวิตที่เะเลทะไายเราตื่นมาเราก็รู้สึกตัวเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนะี่คือเวลาปฏิบัตินะ เวลาหลับไปแล้วยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าฝึกจนชํานาญนะตื่นหรือหลับเนื้อพาวนาทั้งวันทั้งคืนเลยนะอัตโนมัติไปหมดเลยเงั้นเวลานักปฏิบัติจริงๆเนี่ยทั้งชีวิตเวลาทั้งชีวิตทั้งวันเนี่ยเวลาปฏิบัติยกเว้นเวลาหลับกับเวลาที่ต้องทํางานที่ต้องคิดถ้าทํางานที่ใช้ร่างกายทํางานเนี่ยก็เป็นเวลาปฏิบัติอย่างอยู่โรงงาน ทำงานวันหนึ่งไม่ทํำไรนะหนุนอยู่แค่เนี้ยขยับอยู่แค่เนี้ยรู้สึกตัวไปด้วยนะเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยเมื่อก่อนหลายสิปีไปแนะล้วหลวงพ่อเคยดูหนังชาลีแชปปรินพูดถึงตอนปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆคนร่างกายเป็นเครื่องจักรมีหน้าที่ขันลอ็อตขันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะมันออกจากโรงงานมามันก็เดินอย่างเงี้ยมันเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วนะเสียความเป็นมนุษย์ไป เน่ถ้าชาลีชับรินมันเจริญสติเป็นนะมันเป็นผ้าละหันคาลงงคาเครื่องจักรมาเลยนั่นอ่ะมันเห็นเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนะขยับงั้นถ้าทํางานที่ใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยปฏิบัติทําได้แต่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยปฏิบัติไม่ได้สติสมาธิปัญญาต้องไปจ่ออยู่กับงานอย่างนั่งเขียนซอฟต์แวร์นะแล้วก็ ตามองเห็นสักว่ามองเห็นนิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดสักว่าสัมผัสเขียนอะไรไม่ได้หรอกงั้นถ้าเราอยากปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำก็คือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเยวเว้นเวลาที่ต้องคิดเวลากินข้าวปฏิบัติได้ไหมเวลากินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวแล้วไปเข้าแถวอีนางคนนี้มันแซงคิวเราโทสะเกิดรู้ว่าโทสะเกิดแล้วสะกิทคุณแซงคิวไปข้างหลัง นี่สิทธิ์ทีต้องรักษานะไม่ใช่อโหสิอโหสิแลก็แค้นไปเรื่อยนะเก็บกวดวันหนึงระเบิดเปรี้ยงเลยฝรั่งเขาวิจารณ์คนไทยบอกคนไทยเนี่ยนะไม่พูดความจริงมีอะไรก็ไม่พูดนาะยิ้มไว้เลยแล้วพูดก็ไม่ตรงความจริงโกรธจะตายแล้วบอกไม่โกรธหรอกอะไรเงี้ยนะพอทนไม่ไหวก็สัตว์เปรี้ยงเลย เวลากินข้าวก็ปฏิบัติได้เห็นของอยากกินอยู่ข้างหน้ารู้ว่าอยากเห็นคนอื่นตากาไปแล้วหมดแล้วใจเหี่ยวแห้งเลยรู้ว่าใจเหี่ยวแห้งเรียกปฏิบัติได้เข้าห้องน้ำไปเอือไปฉี่ปฏิบัติได้ไหมทำได้ท้องผูกสดชื่นไหมเวลาท้องผูกไม่สดชื่นเวลาท้องผูกแล้วถ่ายได้สดชื่นไหมมีความสุขเนี่ยใจมันเปลี่ยนรู้ไป ไม่เห็นจะยากอะไรอาบน้ําก็ปฏิบัติได้อากาศร้อนๆอาบน้ําเย็นๆมีความสุขอากาศเย็นๆอาบน้ําร้อนๆมีความสุขอากาศเย็นอาบน้ําเย็นๆไม่มีความสุขแล้วอากาศร้อนแล้วอาบน้ําร้อนหนักขึ้นอีกไม่มีความสุขเนี่แค่รู้ใช่ไหมอาบน้ําไปก็รู้ทันจิตรู้ทันใจของตัวเองไปขับรถยนต์ก็ปฏิบัติได้ ขับรถไปอย่าไปทําสมาธิก็แล้วกันเดี๋ยวจิตรวมเห็นไฟแดงสักว่าไฟแดงหรือไฟเขียวแล้วก็สักว่าไฟเขียวไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอันนั้นเกินไปนั้นทําสมาธิมากไปขับรถก็จเจริญสติไปคนเขาปาดหน้ากโกรธรู้ว่ากโกรธเอามือไปกดแตรด่าเขาไปเรียบร้อยแล้วรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปด่าละไม่ยากอะไรนะขับรถอยู่ เห็นไฟแดงนะติดไฟแดงคันที่หนึ่งกับติดไฟแดงคันที่ห้าสิบความรู้สึกไม่เท่ากันรู้สึกไหมอันไหนเจ็บใจมากกว่ากัน <c oughs> ติดไฟแดงคันที่หนึ่งเนี่ยเจ็บใจมากเลยแทบจะเขกหัวตัวเองเลย <c oughs> สังเกตไหมว่าเวลาเราได้ไฟเขียวเราอยู่คันแรกไฟเขียวนะเราว่าเราออกเร็วแล้วนะแต่คนที่อยู่ข้างหลังรู้สึกว่าเราออกรถช้ารู้สึกไหม ใจแล้วนี่มันช้าโมโหแล้วรู้ว่าโมโหแมนะ้ขับรถก็ปฏิบัติได้นะขับไปไปเจอจา่าช่วยชอบรู้ว่าชอบเกลียดรู้ว่าเกลียดนี่ปฏิบัติเนะนี่ยทำอะไรก็ภาวนาได้นะยกเว้นที่เวลาทํางานที่ต้องชิดกับเวลานอนหลับนี่เรียกว่าเรามีความเพียรละเราประกาศว่าความเพียรไปได้ เราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิริตไปปราลบความเพียรแล้วเราก็ต้องมีสติพัฒนาต่อไปต้องพยายามมีสติให้มากอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนี่ทางดำเนินต่ อ, อแรกมักน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียรก็มีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจ รู้ส like well ึก um, บ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเช่นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจวิ่งไปคิดบ้างวิ่งไปเพ่งบ้างดังนัจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันอันนี้ก็เรียกว่าเรามีสติอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็รู้ทัน อาจให้มีสติมากๆอย่าทอดทิ้งสติสำคัญมากเราพระพุทธเจ้ายกย่องว่าสติเป็นหนึ่งในสองของธรรมที่มีอุปการะมากสติและสัมปชัญญะสองตัวนี้มีอุปการะมากสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ ในสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราพอรู้ว่าอะไรควรแก่เราเช่นเราควรจะทำสมถะด้วยอานาปนสติเราไม่หลงลืมอานาปนสตินี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะเราควรจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตสมมุติแล้วต้องดูจิตเหมาะกับจริตเรารู้แล้วว่าการดูจิตนี้สมควรแก่เราเราไม่หลงลืมการดูจิตนี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะสอย่าง รู้อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นบางอย่างสมควรแก่เราบางอย่างไม่จําเป็นแก่เราอย่างกรรมฐาน40ไม่จําเป็นต้องทําทั้ง40่สสติปัฏฐานสี่ไม่จําเป็นต้องทําทั้งสี่แต่ละคนมีจริตนิสัยที่แตกต่างกันอะไรสมควรแก่เราแล้วเราไม่หลงลืมเราทําสิ่งนั้นไปเรื่อยจิตใจไม่หลงลืมสิ่งนั้นนี่เรียกว่าสัมปชัญญะ สติเป็นตัวรู้ทันไปสำหรชัญญาก็คือไม่หลงหลืมงานที่เราทําอยู่นี่เป็นธรรมที่มีอุ ป, ปการะมากหากจเจริญสติให้เยอะอย่าผัดบันประกันพรุ่งการจเจริญสตินั้นจําเป็นมากเรามีสติรู้สภาวะทั้งหลายไปสิ่งที่ต้องทําอีกตัวหนึ่งก็คือการฝึกให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นเป็นสิ่งที่ควรฝึกควรทําควรปฏิบัติ แม้สิ่งที่ทางดําเนินนะไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีแล้วก็ไม่ได้ดําเนินต่อเลยนะรู้หลักปฏิบัติแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนทางดําเนินของจิตให้มีความมักน้อยมีความสันโดษนะมีความไม่คลุกคลีปรารกความเพียรมีสติมีสมาธนะิมีปัญญาเนี่ยสิ่งที่ท่านสอน ท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อนำมาสู่การเจริญปัญญานั่นเองให้มีสติก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจรู้ความมีอยู่ของกายของใจรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจไปในขณะที่รู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจนั้นนะต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นหรือจิตที่ทรงสมาธิอยู่จิตของเราปกติไม่มีสมาธิจิตของเราจะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลาจิตฟุ้งซ่านตลอดไม่มีสมาธิ แล้วมาฝึกให้จิตมีสมาธิโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปหรือจะทําสมาธิก็ได้ทําฌานทําฌานที่ถูกต้องซึ่งคนยุคเราเนี้ยทํายากแค่อุปจาระสมาธิก็ยากแล้วอุปจาระยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกนะลมหายใจจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นในเชงกลายเป็นแสงสว่างสว่างอยู่กับที่ตรงนี้สว่างเราเห็นแสงสว่างนะแล้วยอ่อ ให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้นะตามใจชอบนะตังนี้แหละได้อุปจาระยังทำไม่ถึงเลยใช่มเล่นเล่นอย่างไม่ได้เลยไม่ชำนาญเหีย่ยว่าแต่อปนาเลยอุปจาระยังทำไม่ค่อยได้เลยคนรุ่นเราแต่ไม่ต้องท้อใจเอาคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณนะขณะก็พอแล้วนะที่พอสำหรับการบรรลุมรรคผลนิพพานแม้แต่คนในครั้งพุทธกาลนะ ส่วนใหญ่ของพระละหันในครั้งพุทธกาลท่านก็ใช้คณิกาสมาธินี่แหละท่านไม่ได้มีฌานมีฤทธิ์มีเดชอะไรเลยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่เองพระละหันส่วนใหญ่นะเป็นคนอย่างพวกเรานี่แหละ60สิบก่อเนตงงั้รามีสมาธิเป็นขณะขณะนี้ก็พอแล้ววิธีฝึกสมาธิเป็นขณะนะหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้พุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ ดูท้องพองยุกก็ได้ขยับมือทำจังหวะก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งไม่ใช่หายใจให้จิตนิ่งไม่ใช่ดูท้องให้จิตนิ่งไม่ใช่ขยับมือให้จิตนิ่งไม่ได้ไปเดินให้จิตนิ่งแต่พุทโธเพื่อรู้ทันจิตหายใจเพื่อรู้ทันจิตดูท้องพองยุกเพื่อรู้ทันจิตเดินจงกรมก็เพื่อรู้ทันจิตพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเดินจงกรมจิตหนีไปคิดรู้ทัน ดูท้องพองยุบจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันพุทโธอยู่จิตไหลไปเพ่งพุทโธดูลมหายใจจิตไหลไปเพ่งลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไหลไปเพ่งท้องรู้ทันนันจิตมันไหลไปไหลไปสองแบบไหลไปคิดนี่หลงไปเลยกับไหลไปเพ่งถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลตั้งมั่นขึ้นมาได้คณิกาสมาธิขึ้นมาเป็นขณะขณะ แต่เดิมนั้นนานกว่าจะได้คณิกาสมาธิสักขนาหนึ่งนะหลงมาตั้งชั่วโมงแล้วค่อยรู้ว่าหลงไปได้สมาธิขึ้นมาแว บ, บหนึ่งฝึกทุกวันไม่ท้อถอยนะพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันแต่ไปพอจิตมันขยับตัวคลิกเดี๋ยวรู้แล้วจิตมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาการที่จิตตั้งมั่นทีละขณะทีละขณะทีละขณะแต่ตั้งบ่อยๆนะมันจะเกิดสภาวะความรู้สึกขึ้นมาครับ เหมือนมันตั้งอยู่ได้นานดนะั้นคนที่ออกจากฌานมามาอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยในความเป็นจริงแล้วจิตตั้งเป็นขณะเหมือนกันแต่มันเกิดซ้ําๆเกิดบ่อยๆนะมันเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกตัวนี่พวกเราไม่ได้ทรงฌานนะก็ฝึกดีลักษณะดีลักษณะนี่แหละต่อไปมันถี่ขึ้นเรื่อยๆเคยหลงวันละครั้งก็กลายเป็นชั่วโมงละครั้งนี่ก็รู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นแนะ้วชั่วโมงหนึ่งนะ เคยหลงครั้งเดียวต่อมาหลง60สครั้งถึงรู้สึกตัวขึ้นมาได้ถี่ขึ้นมาแล้ต่อไปวินาทีหนึ่งเนี่ยเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงวินาทีหนึ่งนะก็ เ, เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันถี่มากๆาครับมันจะรู้สึกเหมือนรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยเขาเนี่ยจะเป็นอาการเดียวกับพวกที่ทรงชนันแต่มันทํายากจะอยู่ได้ช่วงหนึ่งเดี๋ยวหมดแรงนะแล้วหมดแรงแล้วฟุ้งไป ส่วนพวกทรงฌานเนี่ยมันจะทรงอยู่ได้เป็นวันๆแต่ไม่เกินเจ็วันหรอกแล้วต้องไปทําฌานใหม่นี่เรามาฝึกนะให้จิตมีสมัตินี่เป็นทางที่เราต้องดําเนินต่อเริ่มแต่อะไรมักน้อยเห็นไหมมักน้อยหมายถึงมีเยอะก็บริโภคน้อยสันโดษก็ยินดีพอใจในสิ่งที่ได้มาจากการที่เราทุ่มเททํางานเต็มที่แล้วก็ทั้งเราภาวนานะ เราทําเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ก็พอใจแค่นี้สันโดษไม่คลุกคลีไม่เฮฮ า, หาปรารบความเพียรวันวันหนึ่งก็คิดแต่จะสู้กับกิเลสจะล้างกิเลสออกจากใจปลดความทุกข์ออกจากใจปรารบความเพียรฝึกสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอรู้สึกฝึกสมาธิแบพุโทโธไปหายใจไปจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้นะ พอเราฝึกได้สติเราฝึกได้สมาธิแล้วคราวนี้เราต้องเจริญปัญญาต่อนะการเจริญปัญญาก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นแต่ต้องรู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่นะถ้าจิตไม่ทรงสมาธิจิตก็ไหลไปไปรู้ลมหายใจจิตก็ไหลไปที่ลมหายใจมันก็ไม่เกิดปัญญา ถ้าสติะระลึกรู้ลมหายใจจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นเองเลยจะเห็น เ, เห็นแต่อานิจจังทุกขังอนัตตาเลยการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ในนักธรรมเอกเขาสอนหนะ้าบอกว่าถ้ามีปัญญานะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารจิตจะเบื่อหน่ายในความทุกข์นี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้น ถ้าเรามีปัญญาเห็นความทุกข์ของสังขารจิตจะเบื่อหน่ายในทุกข์นี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนกันถ้าเราเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามีปัญญาเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาจิตก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์อีกนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเงื้นทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งวิสุทธิ์นี่คือการที่เรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนั่นเอง เนื้หลักของวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตรงนี้เองแล่นเรามีสตินะรู้กายอย่างที่มันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราจะเห็ então, นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูในความเป็นจริงแล้วทั้งกายทั้งใจของเรานั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเราจะเห็นหรือเราจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้นะรูปนามกายใจนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่ไม่มีวิธีที่จะไปรู้ไปเห็น เครื่องมือที่จะไปรู้ไปเห็นที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือมีสตินั่นเองตัวหนึ่งเครื่องมือที่1มีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเครื่องมือตัวที่2คือมีจิตตั้งมั่นนะคือมีสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดนะูตั้งมั่นแล้วก็ต้องเป็นกลางด้วยถึงจะดีตั้งมั่นแล้วบางทีไม่เป็นกลางนั้นะต้องฝึกจนกระทางตั้งมั่นด้วยเป็นกลางด้วย วิธีฝึกให้เป็นกลางคือรู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางวิธีฝึกให้ตั้งมั่นก็คือรู้ว่ามันไหลไปอาศัยสติรู้ทันจิตนี่แหละถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นถ้าจิตไปรู้อารมณ์แล้วยินดียินร้ายขึ้นมาเรามีสติไปรู้ทันอีกจิตจะเป็นกลางงั้นอาศัยตัวนี้เองนะเราจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นเองไม่ต้องคิดเลยไตรลักษณ์จะปรากฏต่อหน้าต่อตาถ้าเรายังคิดเรื่องไตรลักษณ์นะ ยังไม่ใช่วิปั ส, สนาแท้วิปั ส, สนาแปลว่าเห็นปั ส, สนาคือการเห็นไม่ใช่วิตกวิตกมันตึกเอาคิดเอาบางคนไปสอนกันหน้าบอกว่าทําวิปั ส, สนาต้องคิดพิจรารณาดังนั้นเป็นอุบายเบื้องต้นเพื่อให้จิตเดินปัญญาเท่านั้นเองบางคนก็ต้องทําบางคนไม่จําเป็นบางคนที่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนแล้วนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาผู้ขันแตกตัวออกไปเลยเห็นขันแสดงใจรักเลยไม่ต้องคิดเลย บางคนพอรู้ตัวขึ้นมาเฉยมีสมาธิแล้วนะจิตก็เฉยอยู่อย่างนั้นเลยพวกนี้ต้องคิดพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานะแต่ตรงที่กระตุ้นให้จิตเดินปัญญาด้วยการคิดพิจารณายังไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานนะยังเป็นวิตกเป็นการตรึกอยู่วิปัสสนานั้นต้องเห็นสภาวะแท้แท้เห็นรูปธรรมแท้แท้นามธรรมาทแท้แท้เช่นเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมามนผุดขึ้นมาเห็นความโกรธตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเนี่ย เกิดแล้วก็ดับไปให้ดูเห็นอนิจจังของความโกรธเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของความโกรธเห็นเลยความโกรธมีเหตุก็เกิดมวเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เห็นความเป็นอนัตตาของความโกรธนะถ้าเห็นเห็นน่ะถึงจะเป็นวิปัสนาเพราะปัสนาแปลว่าเห็นไม่ใช่ปัสนะแปลว่าคิดอย่างนี้หลายเรียกว่าเจริญปัญญาถ้าเรามีความมักน้อยมีความสันโดษมีความไม่คลุกครีเราปรารบความเพียร เราพัฒนาสติพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาเรื่อยไปนะในที่สุดวิมุตตก็ต้องเกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะต้องเกิดขึ้นมานี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าท่านวางไวนะ้สอนเอาไว้พวกเราต้องเดินตามไม่ใช่ว่ามาฟังหลวงพ่อนะกลับบ้านไปสติแตกตลอดคลุกคลีตลอดเมาสแตกตลอดอะไรอย่างนี้นะแล้วผ่านไปสามเดือนแล้วบอกไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนอะไรยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยนะ เงินปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะแล้วเราจึงจะรู้ว่าธรรมะมีจริงถ้าเราทำธรรมะที่หลวงพ่อบอกนี้ได้นะเรามากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีสติสมาธิปัญญาเจ็ประการนี้ได้เราจะเจอประการที่8คือไม่เนิ่นช้าธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของมหาบุรุษประการที่8ไม่เนิ่นช้า เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วเราจะทึ่งว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราจะเชื่อแน่นแฟนเพราะเราเห็นด้วยตัวของเราเองไม่ใช่เชื่อเพราะน้อมใจเชื่อศรัทธาที่เกิดจากการน้อมใจเชื่ อ, อยังแ ป, ปรปลุนได้เรียกจระ洒ศรัทธาศรัทธาที่กลับกรอกแต่ถ้าเราได้เห็นความจริงเราประจักษ์ถึงผลแล้วนะเป็นตายยังไงเราก็ยังเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอยู่นะ เรารู้ว่าธรรมะมีจริงๆเห็นพวกเราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนาะเนี่ยถ้าอยากปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมต้องทําอย่างที่บอกนี่แหละนะต่อไปนี้ไปปฏิบัติธรรมนะด้วยการกินข้าวนะอย่าลืมนะทุกทุกเรื่องนะในชีวิตเรานะที่การปฏิบัติยกเว้นเวลานอนหลับกับเวลาทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นนี่หมดเลยครับ